นั้นก็บอกมันไม่มีโ <c oughs> ดยส่วนตัวก็มาได้ไม่จำเป็นแต่เด็ดทำก็ไม่ผิดแล้วจ <c oughs> ิตจะเป็นจะอยู่ที่ความมันก็ได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองแบบถ้าเมื่อเราเอาจิตรู้สึกดับที่การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการท่าเนื่นงบ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเต่นอนกว่า ทำมากก็จะเป็นตัวรองแต่ถ้าบางคนไม่คล้าทำบัด <c oughs> ก็อาจจะไปเน้นที่การฟังําเป็นหลักแต่ก็ไม่ใิ่งฟังไปแบบคิดไปนะฟังไปแล้วก็อาจจะบางทีก็ต้องสังเกตด้วยว่าจิตเป็นแบบไหนบางทีฟังไปแล้วก็เพลินมีความสุขก็ไม่รู้ทันหรือฟังไปแล้วก็สงสัยจะรู้ทันหรือฟังไปก็ไม่ชอบเลยที่พูดแบบนี้ถ้าฟังนีนก็ ฟัทงทำไปด้วยเธอสติไปด้วยก็ได้แล้วถ้เาทางานไปแล้วเราอยู่อารมณใจแบบทงานแบน เขแค่กำหนดอยู่สติในการเย็บก็อย่างเดียวก็พอนะนอกจากว่าช่วงนั้นน่ามันฟุ้งซ่านมากเราเอาลมหาใจมาช่วยก็ได้นะแต่แต่ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องทำพร้อมกันสองอย่างีในที่เราเดินยังคมก็ไม่จำเป็นต้องกําหนดลมพร้อกับการเดินนอกจากบางช่วงที่มันฟุ้งเราค่อยเอาการกําหนดอย่างอื่นมาเสริมนี่ก็โอเคดังนั้นเวลาฟังคำนี้เราฟังคำอย่างเดียวจะได้จะดีกว่า กว่าท oui. ี que, que right? yeah. So, yeah, so ่เราจะสร้างจัวะให้มันจะสับสนก็ก็ได้ส่วนใหญ่จะมาก็ฟังก็ฟังอย่างถ้าครูบาอาจารย์อย่างหลวงอคุเขียนเทศอะไรมาก็ก็คือตั้งใจฟังตั้งใจฟังที่จะเอาเอาเนื้อหาในสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็จับมาปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่แต่บางทีถ้าเราฟังถ้าเรา เปิสติไปด้วยก็ได้คือบางทีไม่ได้ฟังแบบคิดตามฟังก็คือฟังไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไม่ต้องพยายามคิดให้เข้าใจในสนะิ่งที่ท่านพูดอะไรนั้นหรือบางทีลูกหลวงพอพูดถูกใจบางทีพูดก็ขัดใจบางทีถ้าเราสังเกตแจต น, นี้ด้วยก็จะเป็นการมีสติไปขณะที่ฟังนะเพระที่จริงถ้าเราฟังทำได้แล้วมีสติได้นะไม่ได้เกี่ยวกับคนพูดนะว่าพูดดีหรือไม่ดีเขาเนนะี่ยคนพูด แล้วบางทีอาจจะพูดอะไรก็ไม่รู้แต่เรารู้ทันจิตเราเป็นแบบไหนขณะที่ฟังอันนี้ก็เรียกว่ามีสตินะแต่บางคนแต่บางครั้งก็จง่วงนอนมากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแปลว่าเอาเอาตรงนี้มาปลุกสติก่อนก็ได้เป็นบางขณะก็ได้นะบางทีฟังแล้วมันซึ้งง่วงๆปลุกมาพอมันตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะเลิกเลิกทาแล้วก็ฟังเฉย ๆ, ๆก็ ไ, ได้ แต่บางที่ท่านก็อาจจะเน้นแนะนําให้ทําตลอด <c oughs> ทําตลอดเพราะบางทีท่านอาจจะพูดนานหรือว่าอาจจะพูดคาเฟ่ไงละไปก็จะได้แบบไม่ไปเผื่อจากความพูดของท่านมากใหได้มีสติรู้ตัวกายบ้าก็ไม่ได้ผิดถูกตายตัวแต่หมาว่าถ้าเรามีสติได้อะฟังได้ยินเสียงก็มีสติเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาในกาย ในใจเราก็มีสติได้แล้วมาว่าสติในกายเนี่ยเอาไว้ปุกเวลามันเวลามันคิดทุ่มสร้างไปที่อื่นตอนตรนนี้ปุกคือว่าไปหลงซึมเศร้าซึมเกินไปก็ปลุกขึ้นมา เดินเป็นหดักก็ดีเพราะว่าเดินก็มันเคลื่อนไหวเป็แนแรงเลยนะเคลื่อนไหวเป็นแรงแล้วก็หมายว่าบางทีอย่างตัวเองเวลาง่วงบางทีก็ใช้ลมหายใจเข้าเสริมบางขนาดเวลาง่วงก็้วายใจเข้าแต่ที่จริงถ้าน่งที่ต้องลง่งสบายสบายเนะี่ก็อาศัายการมองเสริมและมองกไกลๆนะ ทำมองกายใจมันก็โล่งมันผ่อนคลื่นอันนี้ก็เป็นตัวแก่นะแต่ถ้าสติมันพอนะไม่ต้องไปแก้มันคือมันจะรู้สึกว่าเหมือนความม่วงมันจะเข้ามาแต่มันมันเข้ามาไม่ถึงใจดูแบบนี้ก็ได้ดูความมั่วงมันมันกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนคล้ายเมฆมันกําลังจะพื้นแต่ฝนกำลังจะตกอะแต่มันเราก็ไม่ใช่เมฆไม่ไม่ใช่ใจนะ แม่ก็ไม่ใช่กายรู้สึกแบบนั้นก็ได้คือที่จริงวางใจที่ถูกที่จริงนัคือไม่รังเกียจความง่วงแต่ก็ไม่ให้ความง่วงมาครอบงาใจมันคือไม่ได้พยายามที่จะกำจัดให้มันหายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้มันมาครอบงาใจควอมงำกายจะทำอะไรไม่ได้จะใช่หรือเปล่าครับตัวเอง ชใช่คือดูเวทนาคือดูว่าว่าเวทนามันเกิดขึ้นแต่ภาวานาเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูให้มันเวทนาหายใช่ไหมบางคนดูเวทนาแล้วเหมือนเช่นเราจะนั่งให้มันหายปวดเมื่อยให้ได้นะบางทีไปทํานะไม่มีตัวตนอีกอย่างขึ้นมากูเก่งเราแน่ที่เอาชนะเวทนา เราภาวนามไม่ใช่เอาแค่หน้เวทนาแต่เราเรียนรู้ว่าเวทนามันเป็นอาการอย่างหนึ่งของกายแล้วก็บางทีก็เรียนรู้ว่าเมื่อเกิดเวทนาขึ้นแล้วใจรู้สึกอย่างไรเช <st uk> ่นมันปวดใจรู้สึกไม่ชอบ <st uk> ใช่ไหมมันหายปวดใจรู้สึกชอบอันนี้คือเรียนรู้เรียนรู้ว่าอาการเกิดขึ้นกับตายเป็นแบบนี้ใจรู้สึกอย่างไรมันหายไปใจรู้สึกอย่างไรในเรื่องมีสติเห็น เห็นเวทนาเป็นส่วนหนึ่งสติเป็นผู้เห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งสติเป็นผู้เห็นนี่เรียกว่าเวทนาทำกายก็จะทําให้เกิดเห็นเวทนาทางใจเวทนาลุปัศนาสติปัฏฐานนักเสด็จจะเป็นเน้นที่ใจแต่ถ้าเป็นเวทนาของร่างกายมันอยู่ในหมวดของกายยั้งลุปัศนาแต่จริงก็สําคัญกันนั้นภาวนาจริงเราไม่ได้เราไม่ ไม่ได้เป็นมุ่งเน้นที่การกำจัดอาการที่มนเกิดขึ้นนะแต่ให้รู้ว่ามีอาการเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็รู้ทันเวลามันเปลี่ยนไปแบบไหนใจเราเกิดใจมันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็รู้ สือตัดตาอาจารย์ปรีาท่านโรคโลภอรอ่มันคือตัตากินแล้วเหรอกินแล้วเราเราได้ที่ไหนสวนกุลเทปราจะมีมีมีมีนะมีมตัดตาโดยอาจารย์ปราของพ่อแะแต่อาจารย์เป็นคนงนโัวนคือก็รวมงานที่ทเขียนในทป่วยเขียนไลเยอะมาก อาจจะไม่ไม่ทั้งหมดมีเรื่องเรื่องที่เป็น ย, ยาวๆอาจจะไม่ด้ลงเหมือนอาจารย์รคัดเรื่องที่เป็นธรรมะเบนเด่นนะแต่เรื่องบางทีหลวงพเขียนประสบการณ์การสอนสมัยก่อนบรรยากาศสมัยก่อนเป็นแบบไหนก็อันนั้นอาจจะไม่ได้ลงนะแต่อาจารย์จะคัดสรรบทที่เป็นธรรมะที่เด่นเดนแต่ก็หลวงพก็ไม่ได้เขียนเยอะขนาดนั้นนะ ไม่ได้เขียนเยอะมากก็เพราะเขียนจริงๆตอ น, นแรกเขียนมีคนมาเยี่ยมนั่นก็เขียนเขียนเล่าบ้านเขียนธรรมะให้ครวบบ้านนิดหน่อยตอนดังก็อาจารย์ไอสารนี่นเีเงินหลวงพ่อก็เหมือนคล้ายๆคืออยากถ้าหลวงพอ่อว่างๆมีแรง ก, ก็นี่เงินหลวงพ่อเขียนธรรมะไว้ใหเป็นคติให้พวกเร า, าบา้างบางครั้งหลวงพ่อก็เลยเขียนย า, ยาวๆบางก็ <c oughs> เป็นแบบนั้น <c oughs> ก็ไปดูในในตำ e-book กปได้เหมือนน้องพ่อหนังสือน mm ้องพจะมี e-book แททั um ้งหมดเป็น pdf อะของอาจารย์บางคนก็เหมือนัมหาท่านจะบทึกเสียงไว้ในแผ่นที่ชื่อว่าหนึ่งทีอะักย่างชื่อหมที่เป็นที่ท่านจะบัทกทุกวันทุกวันจะมีแผ่วันวันวันหนึ่งแล้วคืนหนึ่ง ก็ก็มีคนตั้งใจถามให้อาจารย์ได้บันทึกในช่วงช่วงที่ป่วยตอนเทท้ายประมาณว่อาจารย์ก็มีแรงพูดไม่มากก็พูดธรรมะเยอะๆก็มีเป็นสีดีน่าจะดูในของจบลงเพื่อนคุณธรรมก็น่าจะหลงทางได้ ก็ถ้ามาวัดปักดูหลวงพ่อแล้วต่างหลวงพ่อมันก็มีมีกำลังใจมาแต่อย่าไปดูแบบเศร้าๆนะบางคนคิดถึงหลวงพ่อก็อาจจะเศร้ามีจับบ้านทีก็ถามกั้งนานทีกลับไปฝันเห็นหลวงพ่อหรือเปลานะ่ไ ไม่เคยฝันในหลวงพเลยแต่บางทีคิดเห็นคือไม่ได้คือคิดแล้วมันเห็นเห็นภาพเห็นการกระทําเห็นคําพูดคือคิดเห็นไม่ได้แบบคือบางทีก็ตั้งใจคิดเห็นท่าเวลาคือไม่ใช่ฝันนะฝันมันเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจนมันมันมาแต่บางทีเราก็คิดเห็นคำสอนของท่านคิดเห็นกิริยาอาการของท่านมันก็ แต่คิดเห็นไม่ได้เศร้านะคิดเห็นนะมันเหมือ น, ม, นมันมันก็ออยืงอยู่แล้วก็ยังสอนหนังปากอะไรบางอย่างที่เราจดจำแล้วเอาไปสอนใช่ไหเหมือนโยมได้ดูหลวงพ่อเนะี่ยบางครั้งเราเราท้อหรือบางครั้งเราจะคิดอะไรไม่ออกบางทีก็คิดเห็นคำพูดคิดเห็นการทำของพ่อมาสอนตัวเองนะคือจะเป็นการคิดเห็นแบบนี้ได้นะ แต่ไม่ใช่ไปไม่ใช่คิดเอานะไม่ได้คิดไม่ได้คิดแบบคิดเอาแบบที่มั่วเอานะคือบางทีภาษามันอาจจะเป็นเพี้ยนบ้างแต่บางทีคําว่าคิดเห็นแบบในการปฏิบัติบางทีทีหลองพ่อจะใช้วันนี้อย่างเช่นเนี่ยพบเห็นหรือคิดเห็นเช่นยกมือนะพบเห็นหรือคิดเห็นคือวิธี เรยกมือจริงๆเนะี่ยมันพบเห็นไหมพบเห็นว่ามันรู้สึกหรือเปล่านะไม่ได้คิดเห็นเอาใช่ไหมคือเช่นะมือบางอยู่ท่านคิดว่ายกมือเนะี่ยไม่ใช่แบบนี้ที่หลวงพ่ออาจเนะีนะ่ยคิดเอาหรือเปล่ามันเหมือนจินตนาการนะคิดจินตนาการแต่หลวพอบอกให้พบเห็นแต่ตันหลวงพ่ไม่ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องคิดเห็นแล้วนะอันนั้นมันมันจะพบเห็นไม่ได้ก็ต้องคิดเห็นนั้น ในคาพูดในกิริยาคำศัพท์แต่เป็นภาพปฏิบัติที่มันเป็นเรื่องของกายใจของเราคือสภาวะพบเห็นไม่ใช่ไปคิดเห็นไม่ใช่ไปคิดคิดเห็นอดีตคิดเห็นอานาคตแต่คือปัจจุบันที่มันพบเห็นสัมผัสไว้ทุกอย่างอันนี้คือเรื่องกายใจที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พบเห็นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คิดเอาเรากำลังนั่งเรากํลาลังยกมือเรากำลังหายใจ บางทีถแค่สงสัยนะรู้สึกตัวหรนะือเปล่าก็รู้สึกตัวหรือเปล่าก็มีอะไรทำเลยไม่ต้องไปคิดตาต่อไห้เรารู้สึกตัวหรือเปล่าทำเนี่ยเนี่ยรู้สึกตัวอะเดี๋ยวบางทีทํำถูกหรือทําผิดนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่คิดหาต่อเลยนะถูกหรือคิดไม่รู้กูจีนนะเอาตอนนี้เลยคือมันมันจะแบบมันจะได้แบบไม่ต้องไปหาเหตุผลแรงมากถูกหรือคิดไม่รู้สึกตัวหรือปล่า ทำเลยพอทําำ ม, มันได้คําตอบรับรู้สึกตัวละ <c oughs> ไม่ไม่สนใจแล้วเมื่อกี้มันมันจะกิดกีดถูกนะทําตอนนี้นรู้สึกแล้ะมันนี่นคือการกระทํำนะพอถ้าพอกระทาเสร็จมันก็เออมันก็ได้คําตอบรัอืมมีอะไรอีกไหมอืม ไม่ไม่ได้ไปเหมกันไม่ได้ไปั้งสี่เก็น่ตาดขงคำวินร่วมเก็บไหมเออบอกบอกเขายกเลิกล้ก็คือยกเลิกั้สองี่นเป็นช่วงสงการก็เลยคนน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนนะจะไปเที่ยวที่อื่นพอดีจะมีคนที่หมดไปไปเที่ยวที่อื่นได้เหมือนกันนะก็ได้ไม่ได้ มีประชุมตอนห้ามเย็นแต่ท่านนี้ไปทำอะใช่ครับเดือนเมษายนเปิดเลยนะเดือนเมษายนท่นอยู่ที่าาทโคลาชอะไรหรือเปล่าครัคือตั้งแต่พรุ่งนี้19มีนาะถึง12บสเมษามีบวชในพระดูลอทิวาตาสุเโต้ต mm hmm. ส่วนใหญ่จะอยู่นะ mm hmm. มีอีกมาแค่ตอนงานส่วนโมกคลุมเทพ มามาที่สวนโมคุลเทพที่แปดที่เก้าคอร์สที่หมอคอนทีกจะอจัร์อานสาปจะชนทุกไปเขาได้ไหมได้ได้แต่ก็ลงทะเบียนไปก็ได้ไปดูว่าตรงส่วนมโมกุลเทพนะคอร์สคอร์สผมคอรเทียมเขาจะจัดทุกเดือนแต่ส่วนใหญ่จเวียนกับราจาย เหมือนครบาอาจารย์ chan, แต่ละเดือนอาจจะไม่เหมือนกันพอดีที่จริง mm hmm. ต่แรกก็ไม่ใช่ชวิทย์คิวจะมาหลับพอดีพระอาจารย์ท่านที่รับนิมนต์ไปท่านท่านติตวรุระท่านไม่ได้มาก็เลยเป็นตัวแทนไปท่านจะสอนปฏิบัติแบบนี้ตั้งสอง ว, วันเช่นกันวันครึ่ง mm hmm. ก็เหมือนเหมือนนันะเช้าจนถึงเย็นแล้วก็กลับบ้านวันอาทิตย์ก็เช้า่างเที่ยงไได้นอน วันเดียวก็พอได้ใช่ก็ได้อยู่พอเราสมัครดูที่นั่นก็ก็ใช้พาที่นี่แหละแต okay. you know you know ่สถานที่ก็กว้างกว่าแล้วก็เหมือนคนรู้จักเยอะกว่าก็าทุกทีก็สนเป็นร้อยสองร้อยก็มีคําถามก็ได้ทางเยอะมีไหม ไม่มีก็นะต้องตั้งใจปฏิบัติดูแล้วก็ที่อยากจะฝากนิดนึงคือบางทีบปปฏิบัติบางทีให้หรือถ้าทำแบบไหนนะก็อย่าไปอย่าไปทำหลายแบบมนะมันจะสับสนให้มีหลักอันหนึ่งเช่นตนินเราเนะี่ยโอเคละการเคลื่อนไหวเนนะี่ยเอาเนีเป็นหลักเลยบางทีไปหลายที่ไปลอง ทีนั้ที่นี่บางทีเราจะสับสนมันจะมันจะตีกันมันจะทำให้ไม่ต้องหน้าบ <จะ S 2> ่าใช่หมเกี<ๆ>่ยวเกี่ยวเพราะว่าถ้าเราจับจับไม่ได้นะจะงวเอาเอาความจริงแม้แต่ทาแบบนี้บางทีไปเรียนกับครูบาอาจารย์หลายคนนะก็จะสับสนกพราบางทีสไตล์การพูดหรือประสบการณ์ในการทํา ง, งานในการตั้งต้นจนถึงบางทีก็ไม่ค่อยเหมือนกันแม้เทคนิคเดกันนะแต่บางที อะไรเทคนิคที่ท่านทํำประสบการณที่ท่านทําแล้วมันถูกของท่านบางทีก็ไม่เหมือนกันถ้าเราจับหลับนี้ไม่ได้บางทีก็จะสับสนนั้นที่จริงยิ่งถ้าไปแบบวิธีการอื่นบางทีบางทีก็าอาจจะเน้นให่ทําเพื่อให้ได้สมาธิอย่างนี้ก่อนค่อยมาต่อวิปัสสนาเนี่ยบางทีหบางคนทําไม่ได้ืบางทีก็ทำแล้วก็สับสนมันก็จะไปหลายที่มาก ถ้าจะทำตรงนี้ก็ทำตรงนี้ให้เป็นหลักถ้าจะฟังก็ฟังครูบาอาจารย์รุ่ในใหญ่เป็นหลักไว้แต่รุ่นน้อยๆไม่ใช่จะมาก็เป็นตัวเสริมเราเลยนะ <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> อะก็เอาเช่นหลวงพ่อเทียนเพ่าเขียนท่านสอนแบบไหนแต่จริงถ้าเราไปดูแค่รูปแบบข้างนอกบางทีก็สับสนนะทําไม่เหมือนกันหล่งพรอเขียน ดูจริงจังหม่แต่เป็นห้องเขียนนะคือดูขนอกดูไม่เหมือนกันเลยนะหลวงพ่เทียนแต่แต่ข้างในเหมือนกันนะสุดที่ดูข้างนอกดูก็ดูไม่ออกบางคนจับหลับนั่นนี่แต่บางคนทําแบบหลวงพเทียนหมายถึงวาจริงจังหม่อสติปีพแต่ทำอ่อนๆในห้องเขียนไม่มีแรงก็มีนะนจริงบางครั้งถ้าเราแบบ มันฟุ้งซ่า น, น, นาามากๆกำลังอ่อนยิ่งฟุ้งไปใหญ่ไม่รู้สึกตัวก็ไม่ควร ท, ทำแบบนี้ก็ต้องทําแบบอนตั้งใจเท่าไหม่แต่บางคนตั้งใจมากแล้วเครียดใช่ไหมเครียดทําแบบมาเคยลองทําแบบของพ่อเทียนลองดูคปปัพเป้ท่าต้องเครียดนะมาก็คือไม่เอาทำแบบสบายหรือเ่าคือบางทีแต่ละคนก็ถูกจริญกับอุบายใจยไม่เหมือนกันท้าทางที่ คำสอนนะั่นก็ชี้ไปที่เดียวกันนะี่แหละเราเองเลยต้องต้องตรวจสอบในตัวเราเองนะถ้าเราทำแบบนี้จริงมาบอกให้เราสังเกตุตัวเองว่าทำแบบนี้เราจิตใจเป็นแบบไหนใช่ไหมเครียดไหมหรือว่ามันคุ้งมากไหมเราต้องสังเกตุตัวเองถ้าเราสังเกตุตัวเองได้เท่านี้เราจะไม่สับสนอะ่ะบางทีท่านพูดแบบนี้ก็ถูกแบบของท่านแต่เราลองทำแล้วมันอาจจะไม่ใช่น่นนะก็ไม่ใช่ว่าท่านผิดนะแต่ ท่านทำแนั้นถูกของท่านแต่เราทําแบบนี้มันถูกของเราเนะี่ยเราก็จะตรวจสอบได้ในตัวของเราเอนะ ง, งวันนี้นะหรือถ้าทำแล้วอีกตัวหนึ่งที่ตรวจสอบคืออย่างที่มาพูดว่าถ้าเห็นกิเลสมันเกิดมาไม่ใช่ปัจจิบันแล้วไม่มีกิเลสนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นแต่กิเลสมันมันครอลั ง, งใจไม่ได้นะี่คือเรื่องสุกอะครเพราเราเห็นเห็นอาการเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเกิดขึ้นมา แต่กิเลสมันทําอะไรไม่ได้บางทีการเห็นกิเลนะ่ะมันจะเป็นตัวตรวจสอบได้ได้ดีกว่าบางทีไปดูที่ตัวจิตที่ว่าจิตต์ตนี้มันเป็นแบบไหนเช่นบางทีะจิตที่มันสภาวะที่มันดีนะ่ะบางดีเพราะมันถูกก็มีหรือ บ, บางทีมันดีเพราะเราสร้างก็มีนะบางทีก็แ ย, ย่ๆอย่างเช่นเราพอเรารู้สึกตัวเออมันถูก มันก็ดีไม่ได้สร้างพอเห็นกิเลสพวกบเห็นคามคิดปุ๊บไม่แปรไม่ไปจากมันมันก็พอดีของมันเองแต่บางทีบางคนพยายามทำให้มันพอดีทําให้มันพอดีสร้างก็มีนะบางทีสภาวะที่มันดีอ่ะสบายเบาบางทีก็สร้างได้สร้างได้เหมือนข้านอกของคนอิน ข้งยิ้มได้นะใช่ไหมแต่ข้างในยิ้มไม่าไม่เลือดคือทำใบไหวมันยิ้มข้างอกได้ดูข้างอกสดใสเป็นฝวามมันทําได้จิตข้างในก็เหมือนกันนะทําแบบนั้นก็ได้ถ้าคนถ้าคนทาเก่งแล้วก็ทํานานๆมันเหมือนดีแหละแต่คือเป็นตั้งโคกอย่างนีน้แล้วก็ไปอยู่นะอยู่โกนั้นนี้ต้องอันนี้จะสังเกตยากออแต่แต่ถ้าสังเกตดูที่คีเรตเกิดขึ้นมา เห็นบ่อยไม่เห็นมันเจดปูกของเองไม่ต้องทราบนี่ตังก็เป็นตัวให้เราสังเกตไปเองนะว่าเราภาวนาถูกหรือผิดนะก็ตัวไปเองนะประปากไว้อาจารามเราล่ามเฉยๆบเราล่ามแล้วก็พลิกมือแบบอาจารย์ว่าการที่เราล่ามแล้วพลิดมือมันจะลดความคิดลงได้ประมาณไหนปะคือเราไม่ ไม่ได้ลดความคิดแต่เราให้พอถ้าเราติ๊มือความคิดมันจะไม่ไปไใฝ่ไม่ไม่ไม่ปรุงรื่นมากนะก็คือจะคิดมากเราก็ห้ามไม่ได้แต่ที่เราทําแบบนี้คือไม่ให้มันคิดนานเพราะว่ามันจะกลับมารู้สึกตรงนี้นะอาจจะไปคิดอีกไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้สึกเหมือนให้เหมือนแทรกเลย่อยแต่ถ้าเราไม่คิดมือเลยบางทีมันจะคิดยาวใช่ไหมกเหมือน แต่ว่ายังจะได้คือเปิดโอกาสให้สติมันมันเกิดขึ้นมามันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาคือเราไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามความโหลงนี่ละแต่เราฝึกสติให้มันแทรกบ่อยๆถ้าแทรกถ้าสติมันเกิดบ่อยบางทีกิเลสมันแทรกไม่ได้ใช่ไหมถ้าบางทีอยู่นะคือกิเลสมันแทรกไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เลย เปิดกาสให้เกิดเกิดขึ้นได้ตลอดหมือก็สติก็แทรกยากมกันเพราะเราเคยคิดที่จะไลท์เรื่อความคิดมันก็เลยยากมากเพราะบางคนมงเกตก็ได้บางคนทั่วๆไปจะให้มีสติมีทีมคิดเป็นกอ่ะเ <c oughs> พราะเขาไม่คยฝึกแต่จริงถ้าฝึกมันก็ค่อยพัฒนาไปก็ได้เหมือนกันเนาะแตเป็นควร All r right.